สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซู ต, ตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่องครอบครัวครั้งสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับจะมีข้อพัมพ์และข้อคําถามที่จะมาฝากพี่น้องข้อพิมพีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับครอบครัวนั้นพระเยซูได้สอน เรื่องของการแต่งงานและการอย่าร้างพระเะ้พระเจ้าตอนแรกที่จะอ่านให้กับพี่น้องฟังซึ่งเป็นบัญญัติสิบระการปรากฏอยู่ในพระธรรมอภยพข้อที่ยี่สิบข้อสิบสี่อพยบทที่ยี่สิบข้อที่สิบสี่อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขานี่เป็นความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานที่เป็น บทบัญญัติของโมเสสครับอีกข้อหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามสิบสองฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะหย่าพันยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทําให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีแต่ถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นพันยาผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยเป็นครับอันนี้ ก็จะเป็นทัศนคติของพระเยซูเรื่องการแต่งงานและการอย่าร้างมีข้อความพีที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆครับซึ่งจะฝากพี่น้องทุกท่านเป็นความสมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกครับในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมัญญิบทที่สี่ข้อที่เกเฉลยธรรมัญญิบทที่สี่ข้อที่เก แต่จงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะประลาดเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่านวักต่อไปนะครับประโยคต่อไปจงกระทําให้ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านทราบเรื่องเหล่านี้ว่า ในวันนั้นที่พวกท่านได้ยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของพวกท่านที่โฮเ ร, พรเ บ, บพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรวมประชากรให้เข้ามาหน้าเราเพื่อเราจะได้ให้เขาได้ยินถ้อยคําของเราเพื่อเขานั้งหลายจะได้ฝึกตนที่จะยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกและเพื่อว่าเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วย พราะวาจน้าของพระเจ้าตอนนี้เตือนนะครับคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เป็นญาติผู้ใหญ่จะต้องสอนเด็กครับสอนเด็กให้เขารู้เรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าสอนเด็กให้เขาได้ยึดและฝึกตนที่จะยังเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตและพวกเขาจะได้สอนลูกหลานเลนหลนของเขาต่อไปได้นี่คือพระวพีเกี่ยวข้องกับความสาคัญที่เราจะต้องสอนเด็กนะครับ สอนเด็กในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อที่หกสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อที่หกหลานหลานเป็นมงกุฎของคนแก่และจักดรีของบุตรชายคือบิดาของเขาเป็นรองครับหลานเป็นมงกุฎของคนแก่ได้ไงครับก็คือหลานที่ดีครับมันก็กลายเป็นศักดรีของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย ครับหมายความว่าหลานประสบความสําเร็จปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ก็มีความชื่นชมินดีไปด้วยและในเวลาเดียวกันครับสังคมก็ยกย่องให้เกียรติศักดิ์สิทของบุตรชายคือบิดาของเขาพี่น้องครับเริ่งพีตอนนี้เหมือนกับสวนทางกันใช่ไหมครับศักดิ์สิทของบุตรชายคือบิดาของเขาคนที่เป็นลูกครับเขารู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เขาได้เป็นลูกของคุณพ่อ ที่เขาได้เป็นรูปของคุณพอ่อเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของเขาก็คือคุณพ่อของเขาเอ ง, พ, งพั่งกระผิดตอนหนึ่งครับเอเฟซัสบทที่หกข้อที่หนึ่งเอเฟซัสบทที่หกข้อที่หนึ่งพระนั้นของพระเจ้าได้กล่าวเตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนบนอกเชื่อฟังบิดามารดาของผู้ที่เป็นบุตรควรจะต้องมีฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทาอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกนี่คือคําสั่งของท่านอคาทูตเปาโลที่มีไปถึงคนที่เป็นลูกครับต้องนบนอบเชื่อฟังต้องให้เกียรติบิดามารดา เพื่ออะไรครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเขาจะไปดีมาดีครับเขาจะอายุยืนด้วยนี่นะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะไปไหนมาไหนได้รับการปกป้องไปดีมาดีการอารักขาจากพระเจ้าและในเวลาดุลกันครับชีวิตของเราก็จะยืนยาวพระกัมภี์ตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของวันนี้อยู่ในพระธรรมโคโรสีบทที่สามข้อยีสิบเอ็ด พระดำโคโลสีบทที่สามข้อยี่สิบเอ็ดฝ่ายบิดาก็อย่ายัว่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจฝ่ายบิดาก็อย่ายัว่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจชัดเจนหมดทุกอย่างนะครับพี่น้องครับต่อไปผมก็จะนําพี่น้องไปถึงข้อคําถามครับ จากการที่พี่น้องได้มีโอกาสฟังมานะครับสามสี่วันที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ผมถามว่าเราสำรวจนะครับดูเวลาในแต่ละสัปดาห์เรามีกี่ชั่วโมงครับที่ให้กับคู่สมรสของเราให้กับลูกๆของเราและเวลาที่เราให้นั้นเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าขนาดไหนครับ เราลองสำรวจระยะเวลาหรือจำนวนชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ที่เราให้แก่ลูกของเราหรือบิดามารดาของเราคนที่เป็นลูกนะครับเราให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ของเรามากน้อยขนาดไหนหรือเราไปอยู่กับเพื่อนๆให้เราสำรวจ ด, ดูนะครับว่าเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ากับบุคคลอันเป็นที่รักของเรามากน้อยขนาดไหนให้เราสำรวจ ด, ดูความสัมพันธ์ระหว่างเรา กับคู่สมรสของเราเรากับลูกของเราเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราครอบครัวของเรามีการนมัสการในครอบครัวไหมมีการให้ครอบครัวนั้นเป็นแท่นบูชาที่มีการนมัสการมีการขอบพระคุณพระเจ้ามีการอธิษฐานมีการเป็นพยานความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานและการอย่าร้าง ของเราได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมครับตามพระวจนะของพระเจ้าเราชัดเจนขึ้นไหมครับในหลักการแห่งพระวจนะของพระเจ้าเรื่องการแต่งงานและการอย่าร้างเราลองดูนะครับว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกกับในครอบครัวนั้นควรจะเป็นอย่างไรพ่อก็อย่ายั่วโทสะนะครับลูกก็ต้องเชื่อฟังเพียงครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับ เป็นข้อคำถามที่ผมอยากจะให้พวกเรามีโอกาสได้คแขวนใครที่ยังไม่เคยใช้เวลาที่ดีมีคุณค่าอยู่กับครอบครัวโปรดใช้นะครับอย่าลืมนะครับว่าความรักนั้นแปลตามเวลาครับและเวลานั้นจะต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพเวลาถึงจะมีคุณค่าครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ทุกทุกท่านจะมีครอบครัวที่ดี ใครที่ไม่มีคู่สมรสเราก็อาจจะมีหลานหรือบางท่านอาจจะยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและในขณะเดียวกันครับเราก็จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวใหญ่คือคริสจัรด้วยขอพระเจ้าเวยพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน